มุงคนจักรวาลใหญ่ สิริทิติมาติเตโชยยี่ิมาเหติมหากุณาปริมิตาปุญญาทิการาสสาพันตระยนวรณสมมาสัพพะวัตตอรหโตสัมสัมป o t h สัทวัตถิสมหาปุริสราธนน นุภาพเวนะสิตยานุภยานนะนุภาเวนะอทุตระสตมังคะลนุภาเวนะชาพานรังสิยานุภาพเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสปารมิตานุภาเวนะทัสอุปปารมิตาุภาเวนะ สัพปะรมะทัปารมิโตนุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะเอตทานุภาเวนะภรานุภาเวนะยยาธรรมานุภา นุเวนะจตุราสศรษฐิสหัสธรรมมาคันธานุภาเวนะนวโรกุตรธรรมมานุภาเวนะอัตถังคิกามาคานุภาเวนะอัตสมมาปฏิยานุภาเวนะฉลปินญานุภาเวนะจตุสัจญาณ นาทะสภพพะยานานุภาเวนาสัพพัญุตยานานุภาเวนาเมตตากรุณามุจิตาอุเปกขานุภาเวนาสัพพาริตตานุภาเวนารัตน์ตยสระนานุภาเวนาตุยหังสัพพโรคะโสกุปาทวทุกขโท มนัตสุภายาสาวินาสันตุสาอันตรายาปิวินาสันตุสาภังสังกปาตุยหสมิดฉันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสตวะสจีเวนสัมมังคิโกโหตุสาภทานอาคาสปพัตตะนาภูมิคามคา มหาสมุทธาอารักกาเทวตาสทามเหอานุราคานต วตุสัพพมังฆาลางลาคันตุสัพเะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติมวันตุเตภวัตุสัพพมังฆาลังลาขันตุสัพเะเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเตภวัตุสั พมังคลังลาคันตุสัพเทวตานสัพสังขานุภาเวนัสธาโสธีภาวันตุเต